จัดยมที่นำธงทิวมาถวายหลวงพ่อก็จือ้อคนที่ยังไม่ได้มาถวายมีโอกาสก็น้อมมาถวายร่วมกันนะจะได้มีส่วนร่วมปีหน้าหลังจากปีต้นปีใหม่ก็คงจะได้เริ่มคึงธงทิวกันจะได้ฉลองสมโพธิทั้งวัดนี่แหละได้ฉลองสมโพธิทำบุญใหญให่ตั้งโลงทานทั้งปี ตลอดไปเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มทำสลาอร่งทานอยู่ทำให้บริบูรณ์ทุกอย่างมีโอกาสเราได้มาร่วมกันช่วยกันทั้งทุนทรัพย์ทั้งกำลังกายกำลังใจทั้งพระเหล่าชีเหล่าช่วยกันวันนี้ก็เหลืองานอีกติดหินกราบกัน <c oughs> ติดหินกราบก่อเสาอีกไม่นานก่อนเข้าพรรษาก็คงจะได อาศสายร่มเงามีที่นั่งที่อยู่ที่ทานอาหารยึ่งใครไปใครมาก็จะไม่ได้ลำบักมาร่วมกันสร้างสารารงทานมีโอกาสโอกาสเปิดให้สถานที่เปิดให้การเวลาเปิดให้มีโอกาสได้ทำมาไวา <c oughs> เดินไปฟังงตะวันออก <c oughs> ก็ไปเจอสวนมะลิวัน <c oughs> ให้ความร่มรืน่นนมเย็นสวยงาม ดอกไม้ก็หอมปีหน้าต้นกัลละปะพิกคงออกดอกเกือบจะเต็มสวนก็ปี น, น, ปนี้ออกดอกอยู่ห้าหต้นเต็มต้น2 3สามต้นสวยมากทีเดียวปีหน้าก็คงจะออกดอกเต็มสวนไอถึงเวลาที่จะฉ <c oughs> ลองสมโพธกันเข้ามาในป่าก็หอมหอมต้นไม้ใหญ่ต้นสาระ ต้นไม้มงคลที่พระพุทธเจ้าท่านประสูตรอยู่ใต้ต้นสาละที่สวนลุมพินีหลวงพ่อก็เคยไปสวนลุมพินีต้นใหญ่ที่สองสามคนโอบก็มีออกดอกเต็มต้นสวยงามมากทีเดียวหลวงพ่อได้เอามาปลูกในป่าของเราก็หลายร้อยต้นอืหลายร้อยต้นต้นเล็กต้นใหญ่ที่ได้รวมแรงรวมกายร่วมใจก็หมด เงินซื้อไปล้านกบด <c oughs> ัดจะพอต้นไม้คนโนนบ้างคนนี้บ้างมาช่วยกันให้เป็นส่วนประวัติศาสตร์ส่วนไม้หอมส่วนไม้หอมทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้เป็นอานิสงส์เป็นบุญใหญ่ของสถานที่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินไม่ให้ลําบากกันทุกคนเท่าที่กําลังกายมีอนุเคราะห์ให้อนุเคราะห์ให้กับทุกคน ที่พักบางทีบางครั้งบางคราวก็ไม่เพียงพอกันเพราะว่าญาติโยมมาเยอะพี่น้องเราก็เยอะพระสงฆ์ทั้งพระทั้งขีก็เยอะก็มาพักกันตามสลาที่พักที่อาศัยพอหลบแดดหลบฝนกันสมัยก่อนยิ่งลำบากยิ่งไม่มีอะไรตั้งแต่30สปีไม่แต่ป่าที่จะอาศัยก็ยังไม่มีมีแต่ป่ารกป่าน้าลาบาก เข็กป่ายาคฆ่าไม่อยากจะย่างกายเข้ามามีแต่กองกระดูกเต็มเกลื่อนกันไปหมดแห่งแรงกันดานกว่าจะพัฒนาขึ้นมาได้ก็อาศัยความเพียร <c oughs> อาศัยความเพียรอาศัยการเวลาอาศัยความต่อเนื่องของทุกคนมาร่วมกันกว่าจะเป็นป่าหน้าอยู่หน้าอาศัยหน้ารื่นรมก็ช่วยกันรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ประมาณ30ไปีถึงได้เป็นป่าอาศัยกันก็ลำบากผ่านความลำบากมาใครไปใครมาก็มาได้รับความสงบความสงบความร่มรื่นลมเย็นโอกาสที่จะทำให้ก็จะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ใกลประโยชน์ไกลประโยชน์ในปัจจุบันเราก็ช่วยกันทำมีโอกาสก็มาช่วยกันทำเดี๋ยวนี้ก็เริ่มให้ผล สวนมะลิวันก็เริ่มเป็นป่าหน้าอยู่หน้าอาศัยหน้าร่มรื่นใครไปใครมาก็ได้ปักผ่อนกลางคืนก็หอมหอมไม้ชมมานาาหอมไม้หอมเดินเข้าไปในป่านี่ก็หอมจะพยายามปลูกไม้มงคลให้เต็มป่าไปหมดให้เป็นส่วนประวัติศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นของประเทศใครไปใครมาก็ได้มีความสุขกันมีโอกาสพวกเราได้มาร่วมกัน จะวางรากฐานเอาไว้พวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้ไม่ได้ลําบากมาสารโตก็จะได้มีความสุขกันก็ได้อาศัยอนิสงส์บุญของทุกคนคนน้นทําอย่างน้นคนนี่ทําอย่างนี้ี่มาช่วยกันปีหน้าก็คงจะเกือบบริบุรณ์ทำศาลา ร, รงทานเสร็จก็คงจะบริบูรณ์ไม่ได้ลําบากใครไปใครมาก็ จะได้ไม่อดไม่ยากใครอยากก็ใครตั้งลงทานมาแต่หลวงพ่อก็จะพาให้ทำทั้งปีให้ทำทั้งปีให้ทำตลอดเท่าที่กำลังมีแต่ละวันแต่ละวันเราอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งการทำความเข้าใจ ก, กับชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราสมมติก็ให้บริบูรณ์ถึงมีไม่มากก็ไม่ให้ลำบาก ทางด้านจิตใจก็จเจริญสติปัญญาก็ไปทำความเข้าใจตังกระตุ้นขึ้นมาโ น, นใจที่ปราศจากกิเลสเป็นยังไงใจที่เป็นบุญเป็นอย่างไรใจที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรอะไรควรละอะไรควรเจริญเราก็ต้องทำความเข้าใจวิเคราะห์กับชีวิตของเราแล้วก็การกระทาเราก็ต้องถึงพร้อมแต่และ ว, วันเรามีความพยันหมั่นเพียร เพียงแค่ขยันมันเพี้ยนย่างสมมุติของเราให้บริบูรณ์อันนี้ก็ยังลําบากอยู่ยังยากอยู่บางคนก็มีพร้อมบางท่านก็ไม่พร้อมบางท่านก็พร้อมสมมุติแต่ไม่พร้อมวิมุติบางท่านก็พร้อมทั้งสมมุติทั้งวิมุตได้อันหนึ่งเสียอันหนึ่งบางคนบางท่านก็ประคับประคองทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราทําความเข้าใจเขาก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละสมมุติกับวิมุติก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละทํากับโลกก็อยู่ด้วยกัน เราจะทาความเห็นให้ถูกต้องที่ใจของเราหรือไม่เท่านั้นเองไม่ว่าพระว่ายมบัชีก็ขยันมันเพียรกันก็ขอขอบใจกันทุกคนทั้งคราวัดญาติโยมมาช่วยกันอะไรไม่ดีเราก็แก้ไขเสีย้ยทำให้มันดีอย่าไปเกียดกล้านยิงคนอยู่วัดยิงมาอยู่วัดด้วยกันแล้วก็ทั้งพระทั้งโยมทั้งชีก็ภากันขยันมันเพียรอย่ า, ากันเจ็ดลัน จากความไม่มีก็ทำให้มีให้เกิดขึ้นให้ได้เกิดประโยชน์มากมายมันก็จะเป็นทรัพย์ติดตามตัวเราไปถ้าเราเจ็ดครานก็เป็นทรัพย์ติดตามตัวเราไปงอมืองอเท้าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญไปอยู่ที่ไหนก็มี้งแต่ตกอับถ้าคนเจ็ดครั้งถ้าคนขยันหมันเพียนรู้จักแก้ไขรู้จักปรปัปรุงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สมมันก็จะเต็มรอบไปเรื่อยๆจนล้นจนเหลือ น้องพ่อก็มีโอกาสได้พาธรรมพาเป็นสะพานเป็นทางผ่านพาทําบุญกับทุกคนให้กับทุกคนให้ทุกอย่างเท่าที่โอกาสอำนวยแต้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายก็ได้อนุเคราะห์ฝากไว้ให้ทั้งอนามัยโรงยบานอนุบาลก็ช่วยเหลือหมดเท่าที่โอกาสการเวลาเท่าที่ทุนทรัพย์มีก็จะอนุเคราะห์ให้ตลอด ตีนี้ก็ได้อนุเคราะห์หลายอย่างหลายที่ก็ทั่งถึงวันตายวันตายก็ยังมีโอกาสเด็ดตั้งชาวบ้านกิจสงเคราะห์ไว้รองรับให้ตายมาภายในเขตตำบลสารานของเราต่ไม่ใช่ตำบลสารานของเราสามสี่ตำบลแล้วมาร่วมมาแก็บเดี๋ยวนี้ก็เก้าสิบศพแล้วที่ได้ช่วยเหลือเก้าสิบสพให้ทั้ง โลงศพให้ทั้งเงินทุนทรัพย์ไปช่วยงานศพศพละหาพันก็ช่วยมาเพียงแค่เมษาปีกลายมาถึงปัจจุบันนี้ก็90สิบที่ได้เอาเขาไปเพอแพบเดียวจะถึงร้อยแล้วนี่แหละเรามีโอกาสได้ช่วยกันก็ได้ช่วยกันไปเรื่อยๆเท่าที่โอกาสอำนวยให้ส่วนที่วัดก็จะพยายามทำให้บริบูรณ์ สร้างซาลาะลงทานเสร็จก็จะได้ให้ตั้งลงทานตลอดอเดี๋ยวนี้ก็ตั้งอยู่มีโอกาสก็ให้ญาติโยมมาช่วยกันทําแต่สถานที่ก็ยังไม่อํานวยก็เลยจะทําศาลาให้เป็นที่พักที่อาศัยให้บริบูรณ์คนมาทํำลงทานก็สะดวกสบายมีความสุขฝนตกแดดออกก็ไม่ได้ลําบากเดี๋ยวนี้กําลังขึ้นขึ้นเสากัด อีกสักหน่อยช่างก็จะมาทําโครงสร้างใหญ่ข้างบนส่วนส่วนมะรีวันก็เกือบจะเสร็จยังเหลือตั้งแต่งานเล็กๆน้อยๆโครงสร้างใหญ่ก็เสร็จไปแล้วมงลังคาเสร็จก็เหลือตั้งแต่ไปตกแต่งเสาด้านนอกมีโอกาสพวกเราก็ได้มาช่วยกันมาช่วยกันทํามาช่วยกันสร้างฝากเอาไวเไนนนน้เป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่สมบัติของคนใดคนหนึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดิน เรามาช่วยกันเรามาอยู่อาศัยล้วก็ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นเท่าที่โอกาสอำนวยก็ต้องพยายามกันส่วนทงทิวก็รับบริจาคไปเรื่อยๆปีหน้าก็จะได้ขึงทงทิวกันเพื่อที่จะสลองสมผลใหญ่ไปตลอดเราก็ขยันทีเราก็ขยันญาติโยมเราก็ขยันจะพากันเจ็ดครั้งอะไรไม่ดีแล้วก็ช่วยกัน แก้ไขภายในด้วยอย่างประโยชน์สมมุติภายนอกด้วยให้เกิดประโยชน์หลวงพอ่อขอขอบขุทุกคนทั้งเหล่ามนุษย์เหล่าเทวดาทั้งหลายที่มาช่วยเหลือกันแหล่งบุญอยู่ที่ไหนมนุษย์เทวดาก็ย่อมจะหลั่งไหลมาที่นั่นก็เป็นธรรมดาเพราะว่าทุกคนก็ปรารถนาหาทางดับทุกหาทางหลุดพ้นก็ต้องสร้างสะสมบุญ บุญภายนอกเราก็ทำบุญภายในการชำระกิเลสเราก็ทำเราก็ละถ้าเราละกิเลสไม่ได้เราก็คงเข้ามาวัดไม่ได้เราก็วางผาระหน้าที่การงานวางสมมติได้ช่วงครั้งชั่วขาวเข้ามาวัดเนี่ยก็ให้เห็นความจริงได้อีกเราก็รู้จักการเจริญสติรู้จักทำความเข้าใจจนก่าใจของเราจะคลายความหลงซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามคลายความหลง พลิกจากสมมติมหาวิมุตต์แล้วก็ละกิเลสออกให้หมดจดดับความเกิดของตัวจิตตวิญญาณอีกแล้ววางให้เป็นอิสระอีกมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันก่อนที่จะถึงจุดหมายไปทางตรงนั้นอันนี้สงบุญบัณมีของเราก็ต้องเต็มความขยันหมั่นเพียรของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่ความละความตนหนีแน่วแน่นของเรามีหรือไม่เรามีความจริงใจมีสัจจกะกับตัวเราเอง เรามีความผ่นอนน้อมทำตนเราไม่เข้าใจแนวทางแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็ชี้แนะพวกท่านจะพากันไปฝึกไปทำหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกท่านเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลวงพ่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านเจ้าคุณมีโอกาสก็เพียงแค่ชี้แนะแนวทางให้ความยากทุกเรื่อง อยากอยากคิดอยากมีอยา ก, ยา ก, ยากเป็นอยากไปในหลักธรรมทั้งอยากทั้งไม่อยากท่านก็ให้ละหมดให้ดับหมดเปลี่ยนเป็นความต้องการของสติปัญญาเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกท่านจงพากันไปศึกษาดูก็จะได้เห็นความจริงของชีวิตทำไมเราถึงลาบากทำไมเราถึงไม่มีความพร้อมมันเป็นเพราะวิบากอะไรเราต้องทำความเข้าใจกับกรรมกรรมก็อยู่ที่กายของเรานี่แหละ กายอยกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำโดยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาอะไรคือรูปอะไรคือนามเราก็จะเห็นชัดเจนมีโอกาสมาหลวงพ่อจะพาสร้างอันิีงสงสร้างบา ร, รมีใหญ่ฝากเอาไว้เป็นสะพานเป็นทางผ่านพาธรรมให้ถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วถ้าไม่ถึงก็ไปต่ อ, อพบหน้าตราบใดที่เราวางรักฐานเอาไว้ดี อ่ะต่าใจละพรกันอ๋อขอใญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้รับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปหลยจมูกของเราให้ชัดเจนเรื่องทุกเรื่องหยุดเอาไว้เช่นกันถึงเราปล่อยเราวางไม่ได้เราละไม่ได้เด็ดขาดก็หยุดเอาไว้เรามาทําความเข้าใจกับการหายใจเข้าออกของเราให้ชัดเจนวังไปด้วยโน้อมสำเนียบอืม ลองสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ผลล่อนลมหายใจออกมายาวๆการสูดลมหายใจซึ่งเรียกว่าอานาปานสติเราพยายามหัดสร้างความรู้สึกรับรู้ให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องบางทีก็อึดอัดบ้างบางทีก็หายใจยาวบางทีก็หายใจเข้าสั้นบางทีก็นาท้องก็แน่นบางทีสมองก็รึง เราก็พยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์หายใจอย่างไรถึงเป็นธรรมชาติที่สุดหายใจอย่างไรความรู้สึกถึงจะเ ด, ด่นชัดเราพยายามเพิ่มความเพียรเราไม่เข้าใจเราก็ยิ่งเพิ่มความเพียรถ้าความรู้สึกพังเพผยเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่จนกว่ากําลังส ต, ติของเราโตเนื่องซึ่งเรียกว่ามหาสติมีมากขึ้นจากหนึ่งครัง้งสองครัง้งจนรู้ตัวทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกก็ เ, เรียกว่าสัมปชัญญะ จนเอาไปสังเกตเอาไปวิเคราะห์จนรู้เท่าทันการเกิดของตัววิญญาณในกายของเราหรือว่าใจของเราอันนั้นเอาไว้ที่หลังเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวให้ตัวเนื่อง เราก็จะเข้าไปเห็นอะไรอีกเยอะมากมายในกายของเราว่ากายของเรานี้ขันห้าของเรานี้มีอะไรบ้างที่ท่านเรียกว่าเป็นกองเป็นขันลักษณะของวิญญาณหรือว่าลักษณะของความว่างใจที่ว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมัน่นถือมั่นเป็นลักษณะอย่างไรกายวิเวกเป็นลักษณะอย่างไรใจวิเวกเป็นลักษณะอย่างไรทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายก็ทําหน้าที่อย่างไร ถ้าเรามีความรู้ตัวที่ชัดเจนที่โตเนึ่งเราก็จะเห็นรายละเอียดอีกเยอะอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามเราก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใจของเราคลายออกจากความคิดซึ่งเรียก ว, ว่าแยกรูปียกนามเราก็จะเห็นอาการของความคิดไอ้ส่วนกายนี่ก็เป็นกล่องของรูป เขามีวิญญาณเข้ามาครอบครองถ้ากําลังสติปัญญาของเราไม่เร็วไวหาเหตุหาผลชี้เหตุชี้ผลให้เห็นความเป็นจริงไม่ได้ทุกเรื่องใจเขาก็ไม่ยอมปล่อยยอมวางเหมือนกันเพราะว่าเขาเกิดมานานเขาหลงมานานขันห้าความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดก็มีกับใจมานานเราก็ต้องพยายามสร้างความรู้ตัวหาเหตุหาผลที่ตามทาความเข้าใจจนหมด ใจของเราหมดความสงสัยหมดความรังเลนั่นแหละเขาถึงแกยอมปล่อยยอมวางถ้าใจเกิดกิเลสเราก็พยายามมาระกิเลสอีกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองกิเลสยากิเลสได้ละเอียดมันหลายชั้นจริงๆสมมติภายนอกเรายังแก้ไขไม่ตก มันก็เลยขายภายในได้ยากเพียงแค่สมมุตินะสมมุติโลกกระทมที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวอันนนท์ก็ไม่พร้อมอันนี้ก็ไม่พร้อมอันนี้ยังขาดตกปกพร่องอยู่กเกเรจากภายนอกเหตุจากภายในตรงนั้นมันก็อาจจะมีความพร้อมอยู่บ้างเล็กน้อยบางคนบางท่านก็หาสมมุติมาทับถมดวงใจของตรวเอง แล้วก็กิเลสมาทับถมลงใจของตัวเองอีกกิเลสหยาบกิเลสละเอียดอีกเราต้องหมั่นละหมั่นคลายหมั่นเอาออกมองโลกในทางที่ดีให้อภัยทาน อ, าโอโอหิสิกรรมัมรู้จักขัดเการู้จักสร้างความรับผิดชอบมีความอ่อนน้อมธรรมตนเราเกิดมาอย่างไรไปอย่างไรเราต้องเจริญสติเข้าไปรู้ฐานใจของเราให้ชัดเจนรู้ตัวใจให้ชัดเจนถ้าจะจับขโมยต้องรู้จักตัวขโมยไม่ใช่ว่าไปวิ่งเที่ยวจับตั้งแต่อากาศ เราต้องรู้ฐานห้องใจรู้ตัววิญญาณจริงๆแล้วก็หมั่นพร่ำสอนวิญญาณของเราจริงๆถึงจะเอาอยู่ความจริงมีอยู่สัจธรรมมีอยู่คําสอนของพระพุทธองค์มีอยู่วันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีปีหน้ามีพบหน้ามีแต่เวลานี้เราอยู่ในภพของมนุษย์เราพยายามหมั่นสร้างคุณงามความดีเท่าที่โอกาสอํานวยให้การเวลาอํานวยให้เท่าที่ความพร้อมของเรามีจนกว่าจะเข้าถึงความสะอาดของมริสุทด์ของใจของเราสักวันหนึ่งเราก็คงจะเข้าถึงอย่าพากันทิง้ง เอาละวันนี้ข้อเจริญธรรมเพียงเท่านี้ปากกันไว้ปากพร้อมๆกันปากกันไปสร้างฐานโตทำความเข้าใจกันเอา